สิบสี่ถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ไม่มีที่หนีไม่มีที่ถอยวงเล็บเปิดสิบสามกันยายนสองพันห้าอห้าสิบจุดจุดนาทีสิบสามวงเล็บปิดมีความสุขในธรรมะนิพพานมันไม่เกิดไม่ดับแต่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะเอาชีวิตเข้าแลกนี่ไม่ใช่ไปทรมานร่างกายทรมานร่างกายอย่างนั้นมันใช้ไม่ได้หรอกเราภาวนาของเราสบายๆอยู่อย่างนี้แหละถึงวันหนึ่งมันเห็นความจริงมีแต่ทุกข์ล้วนๆเลย จะอย่างเท้าลงตรงไหนมีแต่ทุกข์ล้วนๆจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเลยเห็นอย่างนี้ไม่มีที่หนีไม่มีที่ถอยเพราะเห็นของอื่นเป็นทุกข์ยังหนีได้ถอยได้แต่เห็นจิตเป็นทุกข์นี่ไม่มีที่หนีไม่มีที่ถอยเพราะไปที่ไหนจิตก็ไปด้วยคล้ายๆหลังชนกำแพงเลยหนีก็ไม่ได้ถอยก็ไม่ได้ต้องเผชิญอยู่อย่างนั้นใจยิ่งปฏิเสธใจยิ่งทุกข์มากขึ้นอีกยอมรับไหมยอมรับที่จะอยู่กับทุกข์โดยไม่ทุกข์ได้ไหมยอมรับได้นะ นีไม่ได้แล้วช่างมันเถอะจะตายก็ตายจะบ้าก็บ้ามันรู้สึกขนาดนี้เลยนะตามรู้ตามดูจิตที่เป็นตัวทุกข์ต่อไปเหมือนจิตจะระเบิดเลยความทุกข์มันบีบคั้นรุนแรงเหมือนจะระเบิดเปลี่ยงรู้เลยถ้าระเบิดนะไม่ตายก็บ้ามีสองทางเท่านั้นไม่มีทางที่สามเลยจะระเบิดก็ให้ระเบิดจะตายก็ให้ตายไปนะตามรู้ตามดูไม่ถอยนะ